ทีนี้ถ้าเบื้องต้นเนี่ยนะเขาไม่ปรารถนาจะรู้เอาพูดว่าอริยสัจนี่ดีนะอย่างนั้นอย่างเงี้ยอีกห้าล้านชาติเขาจะรู้ได้ก็ไม่เป็นไรเนี่ยนะเขาไปเจอพระพุทธเจ้าองค์ต่อตอไปฟังธรรมนะ่อาจจะได้บรรลุ ก, ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอย่างพวกเราเองก็เหมือนกันย้อนกลับมาว่าเราเอาอะไรมารับรองว่าเราเนี่ยใยที่จะเห็นอริยสัจแม้แต่นึกถึงตัวเองเมื่อไรเลยเนี่ยนะนึกถึงอริยสัจไหม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 ยมอาจจะนึกไม่ออกเข้ามา น, นึกออกสมัยก่อนเวลาที่เราไปอยู่ตามบางแห่งเนี่ยนะมันหาเชื้อเพลิงยากมากเราก็ไปเก็บพวกชิ้นไม้เล็กๆน้อยๆมาค่อยๆรวมกันเท่าใส่ไปหนึ่งชิ้นมันก็สว่างเท่านี้ถ้าหามาเพิ่มทีละชิ้นสองชิ้น3ชิ้น10ชิ้นร้อยชิ้นพันชิ้นมันก็โกงโตสมสมก็เป็นไฟที่สว่างชันใดก็ต้องหาอาหารแห่งแสงสว่างคือ ปัญญาให้เกิดในใจของเราเนี่ยเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นปัญญาเนี่ยสว่างขึ้นเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นหนแนวเรียกว่าภาวนาภาวนาไม่ได้แปลว่าทำซ้ำาๆซักสักซ้ำำซักซกมาจากคาว่าอาเสวิตาอาเสวิตานี่แปลว่าทำซ้ำซ้ำซักักอาเสวิตายะภาวิตายะพาหูลีกตายะไอพหูลีกตายะเนี่ก็แปลว่าทําๆำซซ้ซักๆแต่ว่า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 ให้บ่อยขึ้นทาจนชนํชนานิชํานาญรับอารมณ์อะไรปัญญาก็เรียกว่าใช้งานปัญญาอย่างเต็มที่ปัญญาหรือความรู้เป็นสิ่งที่แปลกว่ายิ่งเข้าใจยิ่งใช้ยิ่งรู้ยิ่งเข้าใจยิ่งใช้ยิ่ ง, ง เ, งงเติบโตไอ้ตัวนั้นแหละคือหนึ่งในข้อปฏิบัติที่จะทำให้ถึงความพ้นทุกเนี่ยนะข้อปฏิบัติที่จะทำให้ตรัสรู้อริยสัจ ท, ที่นาออกจากทุก อันพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถ้าเราดูในพระไตรปิฎกเนี่ยมากพระองค์เที่ยวพร่ำสอนเพื่อจะบอกว่าปัญญาเป็นอย่างนี้นะเจริญให้มันมากๆอย่างนี้นะถ้าเจริญมากๆอย่างนี้แล้วจะพ้นจากทุกอย่างนี้นะแล้วก็ไม่ใช่พูดปัญญาอย่างเดียวนะพูดมรรคแปดนั่นแหละแต่ น, นี้เรายกตัวอย่างสัมมาทิฏฐิแต่พระองค์ไม่ได้พูดแต่สัมมาทิฏฐิอย่างเดียวพระองค์พูดองค์มรรคอย่างอื่นๆประกอบอีกมากมายเพื่อให้รู้ให้เห็นอริยสัจทั้งหลายเพราะปัญญาที่เกิดขึ้น ทวนอีกครั้งว่ามรคนั้นมีความหมายว่าเห็นอริยสัจนะทัศนทโธทัศนะแปลว่าเห็นความหมายของมรสัมมาธิเป็นเรื่องของเห็นเห็นอะไรเห็นอริยสัจเนี่ยนะเมื่อเห็นอริยสัจครั้งแรกเรียกว่าเป็นพระโสดาบันทีนี้เมื่อเห็นแล้วมร์มร์เนี่ยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มเห็นกับกลุ่มภาวนาเมื่อเห็นอริยสัจครั้งแรกแล้วภาวนาขึ้นเป็นสกทาคามีมร์ภาวนาขึ้นให้เป็น อนณาคามีมัชภาวนาขึ้นให้เป็นอรหัตต์มัชมัชจึงแบ่งเป็นสองกลุ่มมัชที่มีความหมายว่าทัศนะเนี่ยนะทัศนะสัมปันโนพระโสดาปัิมัชเนี่ยเห็นส่วนที่เหลือเป็นภาวนานนะก็ทั้งเห็นด้วยแล้วก็ภาวนาด้วยเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆพยายามเจริญกุศลและทำํทำทาบุญเหมนั้นเถอะบุญไหนๆที่ทําไปเนี่ยก็ให้มันเป็นไปเพื่อรู้เห็น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 ภาคหมู่คณะไปห้าสิบคนนั่นี้แล้วการไปไหว้พระบาทของพระพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งความปรารถนาให้ตรัสรู้อริยสัจ ต, ตามพระพุทธเจ้านะหรือมาบอกเอาไ้นะพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรข อ, ข, อขอให้ได้ตรัสรู้ตามเธอเนี่ยนะบอกเขาจะไปเมืองแคนดี้ด้วยบอกเนี่ยพระธาตุของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะะในอัตถกามหาปรินิพานท่านกล่าวไว้ว่า เป็นซี่ฟันที่เวลาพระพุทธเจ้าประกา ศ, รกาศอริยสัจต้องผ่านซี่ฟันอ น, นั้นผ่านพระเขี้ยวแก้วเพราะฉะนั้นพระธรรมเหล่าใดที่พระพุทธเจ้าสอนเปล่งวาจาออกมาทางพระโอษฐ์เปล่งถ้อยคำออกมาทางพระโอษฐ์ขอให้เรามีส่วนรู้เห็นเข้าถึงธรรมะที่พระองค์ประกาศแล้วด้วยพระองค์มีเจตนาลมเหล่าใดแล้วประกาศธรรมออกมาขอให้เรามีปัญญาที่เห็นธรรม น, นั้นด้วย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 เห็นแดดก็บอกแม่ต้องเอาผิวหนังไปสัมผัสกับแดดอีกนานเนี่ยนะเห็นดินก็โอ้ยต้องนอนอีกนานแล้วก็สําคัญที่สุดเนี่ยนะว่าทํำยังไงนาะจะศึกษาพระธรรมคําสอนให้รู้เห็นตามที่พระพุทธเจ้าสอนเราพยายามอย่าหลอกเข้าใจผิดตัวเองนะพยายามอย่าเข้าใจตัวเองผิดๆว่าเราเนี่ยเข้าใจแล้วเรานี่รู้แล้วถ้าเคยถ้าใครบอกแม่บางคนนี่เขามีมีคำพูดประเภทนี้บ่อยเหมือนกัน รู้แล้วเข้าใจแล้วรู้อะไรรู้ว่นนี้ทุกมันทุกยังไงยังไงไงคือพยายามสอบสวนเมือ่อกันในสมัยก่อนอสมัยพุท ธ, ธากาลเนี่ยพระองค์ให้สอบสวนตัวเองให้บ่อยๆเลยนะว่าที่เราเจริญเนี่ยเราเจริญอะไรได้บ้างแล้วเจริญแล้วมันเติบโตขึ้นไหมเพียงพอไหมพ้นทุกข์บ้างไหมะที่เราเจริญแลวเจริญไปถึงไหนเป็นอย่างไรเนี่ยทามตัวเองบ่อยๆว่าที่เรารู้เราเข้าใจในเราเข้าใจว่าอย่างไรแล้วก็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 เราคือคนไม่ปกติะนะไม่ปกติมีอยู่สองอย่างนะแต่โดยมากไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนะถ้าเราแก้คำสอนมาหาใจเราเ mm. ชื่อคำสอนเนี่ยนะ่าวิเคราะห์ตรวจสอบแล้วไม่แปลผิดไม่พลาดไม่มีอะไรนะคำสอนถูกอย่างเดียวเราเนี่ยเข้าใจผิดแต่ถ้าอ่านี่ก็มีคนถามว่าถ้าต้องแก้คำสอนนี่ใคราศาสดาของใครกันแน่เนี่ย น, นะ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 เธอเชื่อหรือไม่ว่าอินรี่ห้าที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วเนี่ยเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานเชื่อไหมศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยนะสตินรีที่ในโสตาปฏิยังฆะธรรมสี่วิริ ย, ยินรี์ที่ในสัมมาปทานสี่สตินรีที่ในสติปทานสี่สมาธินรีที่ในปัญญ์ฌานสี่แล้วก็ ปัญญินทรีย์ที่รู้อริยสัจสีเนี่ยนะเธอเชื่อไหมว่าอินทรียทั้งห้าประการเนี่ยที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วทําให้บริบูรณ์เต็มเปี่ยมแล้วหรือที่กําลังเจริญถ้าเจริญถูกต้องเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้และเพื่อพระนิพพานเธอเชื่อไหมพระสารีบุตรบอกว่าไม่เชื่อพระเจ้าค่ะนี้มีคําถามว่าทําไมพระสารีบุตรจึงไม่เชื่อมีคําถามนะว่าทําไมพระสารีบุตรจึงไม่เชื่อ บอกว่าภาษารีบยบบทท่านเห็นว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆท่านยอมรับแล้วก็ท่านทําอย่างนั้นจริงๆแล้วเขาบอกว่าไอคนที่ทําได้กับคนที่ฟังแล้วเชื่อเชื่อในประณีต ก, กันก็บอกว่าคนที่ฟังแล้วเข้าใจทําได้ตามนั้นอย่างถูกต้องอันนี้ไม่ต้องเชื่อเพราะทําได้จริงๆส่วนบุคคลที่เหลือจําต้องต้องเชื่อทีนี้ของเราเนี่ยน ะ, อะของเราเนี่ยที่ยังเจริญอินทรีห้าไม่บริบูรณ์สัตหินรีเนี่ยบริบูรณ์ที่โสดาปฏิมา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 พ่ออะไรพ่อรุ่งยุ่งกับเรื่องการบูรณะซ่อมแซมเนี่ยนะโดยมากเขเชื่ อ, อไปดูคนอยู่เฝ้าข้างๆเจดีโดยมากไม่ค่อยมีสถาาัทธาในพระเจดี